สับส uh, ัดุคฆาปมุนจันตุเนี part. ่ยสับดุคฆาปมุตปมุตจัน okay. ตุหรือปมุนจันตุปม no? ุตเนี่ยเนี่ยันนี้ก็ปมุนจันตุอีกแล้วเนี่ยหน้าเจ็เจเจ็ดเก้าเนี่สับบาดุคฆาปมุนจันตุน่ผมผมจจะไหนจะไดมาปมุตจันตุเน่ยผมมันเป็นธาตุเดียวกันครับถ้าเป็นถ้าเป็นคาแปลก็หมายถึงอะไรจงพ้นครับ จงพ้นจากทุกทั้งมวลเถิดใช่ไหมครับผมถ้ามุนจันทรูกมันจะเป็นธาตที่เรียกหาการมมันต้องปล่อยซึ่งครับอ๋อจงพ้นจากทุกเถื่อนแต่คำแปลถูกอยู่เนาะครับผมแต่ว่าคำบาลี่ในฟิสสมนุษย์อาจารย์ตะกดครับครับผมอาจารย์สองีครับอ่าไปแก้นะแกยาโสกันอย่าโสกัน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 วิชาการบางอย่างเราไปเรียนรู้ทำไปพร้อมๆกันมันก็ทำได้บางอย่างง่ายบางอย่างสลับซับซ้อนตักศึกษาต้องเรียนรู้มาพิสูจน์มาทดสอบมาทดลองมาวินิจฉัยวิจารวิจัยใคร่ครวนอพอมาถึงขั้นนี้หมายความว่าเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลตามที่เฉี่ที่เฉีบอกเอาไว้ เรารักษาสินสินสมาธิปัญญาเราก็เอามาทดสอบได้เดี๋ยวนี้เราเดือดร้อนอะไรเราย้อนมาดูที่ตัวเราย้อนมาดูที่ตัวเราเราเดือดร้อนอะไรผิดสินหรือว่าสินเราสมบูรณ์แล้วแต่ว่าโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบียน<ๆ>เราก็พอจะแยกแยกออกได้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 บอกนักบอกหนาเมาอยัาขับเมาย่าขับเมยายขับท้าทายอยู่นั่นแหละเปรี่ยงเดียวซีสก <_ d ream> คนรุ่นรุ่นอะไ่ขนาดมีลูกหกขวบกขวบเจ็ดขวบแล้วก็เป็นลูกแฝดเลยนะเป็นลูกแฝดซะด้วยเปรี่ยงเดียวไปได้วยกันหมดเลยคือในครอบครัวนั้นหมดเลย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 กับไม่สํารัในสัตว์ไปพร้อมๆกันมันก็กรรมกรรมของรถยนต์มันก็กรรมของมอเตอร์ไซค์แหละมันมาระจวบกันนึงเราพูดถึงกรรมเราไม่ต้องไปมองหรอกการทำที่เรามองไม่เห็นเรามองถึงกรรมคือกิริยาของเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นะนะ่ใช่ไหมพอมันเผลอปั๊บมันลี่วหันไปหากันอพอไปถึงก็เปี้ยง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 ดื้อด้านดื้อได้ทำได้ด้ามได้คา ม, มันก็ไปตรงนั้นแหละเนี่ยฝืนสินฝืนธรรมรับพิสูจน์กันแค่นี้แล้วเราก็นำสู่การปฏิบัติแล้วก็พอจะเห็นผลโอ้ผลจากสินเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้<อ>สินเขาว่าปกติท่านว่าปกติปกติเมื่อก่อนเราคิดไม่ออกอ่สินปกติคืออะไรศีละร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 เมาสุราเมไรสุราสุรากลั่นน้ำเมาที่ถูกกลัน่นเมไรก็คือน้ำดองน้ำดองอะไรก็ตามดองไปแล้วเมากินไปแล้วเมาโซดซัดโสดเสียน่ะสุราทั้งนั้นเพราะเวลามันเมาแบบนั้นแล้วมันเสียสติ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 ต้องฝึกฝนอบรมมาทั้งนั้นแหล ะ, ะพูดจะมีความรู้มากเรียนง่ายได้ง่ายบุญเขาดีเขาดีเรียนง่ายเขาได้ง่ายบางคนเรียนปวดหัวจะเป็นจะตายปวจะได้ละบุญเรามาน้อยการสังสมอบรมเรามันน้อยอย่าลืมว่ากรรมทุกอย่างมันตล่อมมาและมันทำงานประสานกัน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 ปริมาณมากมันก็ไปจากปริมาณน้อยนึกเมื่อกินน้อยได้มันก็กินมากได้อไอ้ไกินมากๆ ม, มันก็ไปจากกินน้อยๆนี่แหละไม่รู้จะตอบอยังไงแม่ถามอย่างไม่รู้จะตอบยังไงอืกินพอตึงๆไม่ให้เมาผิดไหมแนะน่มีข้อต่อรองอีกนะมีข้อต่อรองอีกกินเพอ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 ผิดจริงผิดธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เนีภาวนาภาวนาสมถะภาวนาธรรมใจได้รับความสงบเราศึกษารู้แจ่มแจ้ ง, จงชัดเจนแต่ต้องนําสูขการปฏิบัตินําสู่การปฏิบัติก็คือไปตั้งใจทจําจริงท่านบอกให้ภาวนาพุโทธโทธพุทโธพุทโธ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 ว่าเราตั้งอกตั้งใ จ, จเจริญมันจะมีมันจะมีอิสงเพิ่มมาในเพิ่มความฉลาดมาที่หัวใจของเรามันจะละเอียดลึกก็ไปละเอียดลึกก็ไปละเอียดลึกก็ไปกำหนดทุกย้อนมา ด, สมาดสูสมุทัยดูที่ใจสมุทัยมันเกิดที่ใจมันไม่เกิดที่อื่นกำหนดกายย้อนมาดูที่ใจใจมันเป็นคนว่ากายเรากายของของเรากายงามกายไม่งามใจมันเป็นคนว่า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 มันก็เป็นเขาอันเดียวสามัคคีอมร่มกันเหมือนกําปั้นเนี่ยเราเรากระมือปักนนิ้วมันสามัคคีมันพร้อมกันหมดพอไปแยกปักโอ้สี่นิ้วห้านิ้วจริงว่ามักสามัคคีมักสามัคคีในขณะที่ทำนั้นสติกล้าปัญญาแข็งหมุนแผ่เผาอยู่นั่นแหละ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 เสร็จแล้วเราก็จะนั่งภาวนาข้ามปีหละตอนนี้ยเออนั่งนั่งภาวนาข้ามปีเอาเวลานอกห้านาทีเฮ้เวลานอกห้านา ท, าานนาทีนานไม่ได้นะเวลานอกนะ <c oughs> เนีฮ้เวลานอกให้มากไม่ได้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 คนอื่นทนได้แล้วก็ทนได้โอเราไม่ทนเราไม่ระวังเราดูหงายท้องดูที่โอ้ความละอายช่วยเราเนี่ความละอายช่วยเราเหมือนพระนันธาเนี่นแหละพระนันธะได้พรุมากรผลเพราะความละอายนะโอ้เราทำไมเราต้องตั้งใจภาวนาเพื่ออยากได้นางฟ้าวะ คนนั้นก็ซุบซิบคนนี้ก็ซุบซิบเฮ้ยคนอื่นเขาอยากได้มักได้ผลเขาตั้งใจภาวนาอันนี้เพคนอยากได้ตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าคนนั้นก็ซุบซิบคนนี้ก็ซิบสิบโอ้เกิดละละอายแก่ใจเลยใจมันเลยถอนมาจากนางฟ้าทั้งหมดมาอยู่ข้างนี้กับตัวเบายวิธีของจอมปราดของพระพุทธเจา้าเห็นไหม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 ออได้ยังต่ําที่สุดเป็นพระอนาคามิยังสูงสุดเป็นพระอนาคามียังต่ําสุดเป็นพระโสดาบันเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนี่ยเจ็ดปีหกปีเจ็ดปียกไว้หกปีหกปียกไว้ห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือน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 จะเอาเลือกชั้นไหนระดับไหนอผ้าไม่ไมอดทุกวันเนี่ยสมัยแต่ก่อนอดจริงๆต้องไปหาผ้าบางสกุลเหมือนอย่างพระพายะไปเคลียในกองขยะเนี่ยก็บอกก็บอกว่ามียักษิศรีตัวหนึ่งเคยเคยเป็นศัตรูกันกับพระพายะเนี่ยไปสิงไปสิงวัวเข้าทํำให้วัวตัวนั้นอ่ะไปชนพระพายะตายอย่ายงพระท่านในบวช น, นะ แต่ก็เรียกว่าพระภาหิยะพระภายยะปว่ า, าเป็นคือท่านเป็นผู้บรรลุธรรมได้เร็วเพระเภิดขบปาพิญยาอันนี้ไม่ต้องถึงเจ็ดวันเลยซ้ำไปตอพูดถึงตำนานว่าพระพายะนี่ไปค้าขายไปค้าขายนี่สําเภาแตกมันไงสัาเภาแตกเรือจมได้เกาะแผ่นกระดานมาลอยมาลอยมาตามกระแสคลื่นของทะเลนั่นะ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 อตอนที่ท่านไม่มีผ้านุ่งน่ะนะเพราะน้ำเรือมนอับปามาลอยมาทำลอยมาในกระแสคลื่นทะเลนะั่นะพอไปขึ้นทิ่ท่าคนในท่าเขาเห็นเห็นโอ้พระอหานแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่น่ไม่มีอะไรนุ่งห่มเลยไม่มีความละอายอะไรเลยเนี่ยพากันมากราบมาไหว้เอานุ้นมาให้เอานี้มาให้ในที่สุดพายะเลยได้อยู่ได้กินได้อยู่ได้กินกับ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 ทีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยบวชในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเอ๊มามาตั้งใจปฏิบัติธรรมตายไปแล้วไปเป็นเทวดานะยังไม่ได้บรรลุธรรมไปเป็นเทวดาก็มาดูเห็นอ่าภายัยยะเนี่ยกําลังจะลวงเขาเขาเรียกว่าลวงโลกลวงโลกอืเขาไม่รู้จริงเขาไม่เข้าใจเลยก็ไปลวงเขาเพราะได้อยู่ได้กิน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 ระดับใดที่ยังไม่เกิดยาเนะคือเกิดปัญญาปัญญาหมายความว่ามันยังไม่ถึงที่สุดไม่เป็นเหตุให้เกิดการเบื่อการห น, น่ายการคลายการจางเหมือนอย่างที่เราสวดอาทิตตปริยาญาสูจน์เมื่อกี้นั่นพอเบื่อโอ้เบื่อในตาตาก็เบื่อในรูปหูเบื่อในเสียงจ ม, มูกในกลิ่นลิ้นในรูปกายสัมผัสเบือธรรมารมเบือ่อใจในสุดเบือ่อที่ใจไม่ใจเบือบ่อเบื่อก็คลายคลายก็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 ใครทำมีทําเปลี่นก็ทำอัธยาศั ย, ยใครทําไม่มีทําไม่เป็นเราหันมาตรองหนทางมหาศีประถานหลัไปได้พวกเราทั้งหลายได้เสียสละเวลามาประกอบบาเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นว่าจะมาสวดมาประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้าสวดเป็นสับรีเป็นธรรมะทั้งนั้นหลยเราสวดเป็นสับรี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 จงตรัสไว้พอประมาณหกสิบกว่าทิศทีนั่นนะเป็นความรู้ความนึกความคิดของปราดของมันฑิตทั้งนั้นแหละออแต่อยู่ในกรอบของอันนี้จังทุกข์องอำนัจตาทั้งนั้นไม่มีใครบรรลุกรอบอันนี้ไปได้เท่านั้นพวกเราได้ยินได้ฟังเราก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเราก็พยายามสั่งสมอบรมบุญกุศลก็สูงหัวใจคำว่า